بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الثالث ويحتوي على صورة النساء بودسي ب و د أ ن س ا ب و د أ ن س ا ب ن ب و ما د ن ي ه ถูกประทานลงมาหลังจากที่ดัานนาบีได้อพยพไปอยู่ที่นครมานีนะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดบโอกาสกันบทที่ประกอบไปด้วยบรรยัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของมุสลิมทั้งที่เกี่ยวกับมุสลิมเองและที่เกี่ยวกับคนต่างาศาสนาในบทนี้ได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีบ้านครอบครัรวสังคมและประเทศ แต่เรื่องส่วนใหญ่จะดำเนินไปเกี่ยวกับสตรีด้วยเดตุนี้จึงใช้ชื่อบทนี้ว่าบทอันลีซะคือบทที่เกี่ยวกับสตรีเรื่องของสตรีที่มีอยู่ในบทนี้คือเรื่องสิทธิของสตรีเด็กกำพรา้าโดยเฉพาะเด็กกาพร้าที่เป็นหญิงการเลี้ยงดูให้การอบรมสิทธิของนางในเรื่องมรดกการหาเลี้ยงชีพการแต่งงาน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 และการประสานจิตใจของชายและหญิงสิทธิของสามีที่มีต่อพัรยาและสิทธิของพัรยาที่มีต่อสามีแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวส่วนในด้านสังคมนั้นพระองค์ทรงใช้ทําความดีอยู่ทุกขณะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจกันแนะนำตัดเปลือกและให้อภัยซึ่ ง, ง, งกันและกัน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 เพื่อป้องกันศัตรูเบรระบุถึงเลขกลต่างๆของศัตรูให้ทราบเชีย้ยวเห็นถึงอันตรายต่างๆของชาวคมทีโดยเฉพาะจากชาวเยโฮและจบด้วยการแจ้งให้ทราบถึงความเชื่อถือที่นอกลู่นอกทางของพวกนาซโรที่เชื่อว่านาบีซาเป็นพระเจ้าและแนวความคิดที่เลวไหลของพวกเขา بسم الله الرحمن الرحيم. ببرنامج الله ت ทรง خلنا، ت ทรง مهدا سما. يا أيها الناس ا س ت ق و ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وَ า خلق منها زوجها وبث منه مارجالا كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأضحى ما إن الله كان ع ل ي م رقيبا ด้ว <ت> ย <ص> พ <في> ร <ق> ะนามของ a l l a ผู้ทรงครุนาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้มนุษย์ทั้งหลาย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 อัลลอฮ์นั้นทรงสอดส่องดูแลพวกเจ้าอยู่เสมอวะอาอุลยกับเงิองพวกเขาอยาเะลีบยนเงินที่ดีเป็นเิที่ไม่ดีแลูอมวาใช้เอินาอมวาลิกคุมอินนเอการทุมันีากมากดจงให้คืนแก่บรรดาเด็กกำพร้าซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขา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 ก็จงแต่งงานกับหญิงเดียวหรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่อย่างกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ ย, ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ล ะ, นนละเบียะ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 ا أ และจงได้ให้แก่บรรดาผู้ที่โงกเขาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าเที่ยล้อทรงให้เป็นสิ่งขัง้มจุนแก่พวกเจ้า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 ولا تأكلها و إ س ر ا ف ا و ب د ا ر ا أ ن يكبروا و م ن كان غ ن ي ا فليستعفف ومن كان ف ق ي ر ا فلأكل ي بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد و ا عليهم وكفى بالله ح س ي ب ا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 ซึ่งสิ่งนั้นจะน้อยหรือมากก็ตามเป็นส่วนที่ถูกกำหนดอัตราส่วนไว้แล้ววววิััมนและเมื่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิดและบรรดาเด็กกำพรา้าและบรรดาผู้ที่ขัดสนมาร่วมอยู่ด้วยในการแบ่งมรดก ก็จงปันส่วนหนึ่งจากสิ่งนั้นให้เป็นปัจจัยยั่งชีพแก่พวกเขาและจงพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดที่ดี และจงเอาใจใส่บรรดาผู้ี่หากพวกเขาละทิ้งลูกๆที่ยังป่อนแออยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขาซึ่งพวกเขากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแ ก, ก่ลูกๆของพวกเขานั้นพวกเขาจงเกรงกลัวเอาล้อเถิดแต่จงกล่าววาจาอย่างเพียงตรงไม่ละเบียบ อ ال ินนั้นผู้ที่กินทรัพย์สินของเด็กกาพร้าด้วยความอาธรรนั้นแท้จริงพวกเขากินไฟเข้าไปในท้องของพวกเขาตัางหากและพวกเขาก็จะเข้าสู่เป ล, เลือย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 ถ้าทะดรูนไอ้ยุมอักรบ لكم นัฟราฟรีบทันมินัลล้าฮอินลล้ฮคน عل ีมันฮคีมอัลลได้ทรงสั่งเสียพวกเจ้าเกี่ยวกับลูกๆกของพวกเจ้าว่าสําหรับเพศชายนั้นจะได้รับเท่ากับส่วนได้ของเพศหญิงสองคนแต่ถ้าลูกลูกเป็นหญิงเกินกว่าคน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 มารดาของเขาก็จะรับหนึ่งในสามถ้าเขามีพี่น้องหลายคนมารดาของเขาก็จะได้รับหนึ่งในหกทั้งนี้หลังจากที่พึ้นในกรรมที่เขาได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากนี่สิบบรรดาบิดาของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่รู้ดอกหรืกว่าฝ่ายไหนในพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่พวกเจ้า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 من بعد و ص ي ي ك وصل بها أوجين ولهم الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمل مما تركتم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 มิ่ง بعد มรดกที่ยื่นสัตว์ใ غ ้หรมบดินที่ไม่รล้จักลรดกที่มาจากพระาและสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับครึ่งหนึ่งของสิ่งที่บรรดาปัญญาของพวกเจ้าได้ทิ้งไว้หากนิปรากฏว่าพวกนางมีบุตรแต่ถ้าพวกนางมีบุตร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 พวกเขาก็จะเป็นผู้รับร่วมกันหนึ่งในสามท้งนี้หลังจากที่พี่นายกรรมที่ถูกสั่งเสียไว้หรือหลังจากนิสินโดยมินำมาซึ่งผลร้ายใดๆเป็นคำสั่งที่มาจากอาลัลล์และอลัลละ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงหนักแน่นจิกฮุดุลลอฮ วเ ن น يطيع الله ورسوله يدخله ج ن ا تجري ت من تحتها الأنهار ج ن ا تجري ت من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์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 واللاتي يأتين الفاحشة من ل ن س ا ئ ك م فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى ي ت و ا ه ن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا. ب รรดาผู้ที่กระทำสิ่งลามกจากในมสตีพวกเจ้า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 “قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลลอฮจะสรงรับนั้นไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายัางคนหนึ่ง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 ا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثن و ا ا ل س ا ء ك ر ه ا ولا تعطلون ه ما لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن و إلا إلا أ ي ا ت ن بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعساء تكره شيئا فعساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أ ب سهتا ทั้งหล ไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะเอาญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับและไม่อนุญาตเช่นเดียวกันกับการที่พวกเจ้าจะขัดขวาง น, นางเพื่อพวกเจ้าจะาบางส่วนของสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนาง น, นอกจากว่าพวกนางจะกระทำสิ่งหลามกอันชัดแจ้งเท่านั้นและจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีเถิด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 ก็จงอย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพนั้นคือพวกเจ้าเจ้ามันคืนด้วยการอุปโลกความเพี้และกระทํบาบาปอันชัดเจนกระนั้นหรือและพวกเจ้าเจ้ามันคืนได้อย่างไรทั้งทั้งที่บางคนในหมู่ของพวกเจ้า ได้แนกกายกับอีกบางคนแล้วและพวกนามก็ได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้วด้วยว่าแล้วจะขมาในกระเป๋าคุณมินาเนศอิ่นล่ามาขดเซลฟอินน์เนห์แค่เลาพิชิตตวว่ามั่วตวว่าซาสบีนา และจงยาแต่งงานกับบรรดาหญิงพี่บิดาของเจ้าได้แต่งงานกับนางมาแล้วนอกจากที่ได้ผ่านพ้นมาเท่านั้นแท้จริงมันเป็นสิ่งลามกและน่าเกลียดยิ่งและเป็นวิถีทางที่ชั่ว و َ ب َ ن َ ا ت ُ الْأَخِ و َ ب َ ن َ ا ت ُ الْأُخْتِ و َ أ ُ م ْ م ه َ ت ُ ك ُ م ُ الَّتِي ل أ َ ض َ ع ْ ن َ ك ُ م ْ و َ أ َ خ َ و َ ا ت ُ ك ُ م ْ مِنَ ا ل ْ ض َّ ض َ ا ع ِ و َ أ َ خ َ و َ ا ت ُ ك ُ م ْ مِنَ الْضَّعَاعِ و َ أ ُ م ْ م ه َ ا ت ُ ل ِ س َ ا ئ ِ ك ُ م ْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي ا فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ من ن س ا ِ ك م التي دخلت ب ه ن فإن لم تكونوا دخلت ب ه ن فلا جناح عليكم و ح ل ا ئ ِ ل ُ أبناءكم الذين من أصلابكم وأن وأل تجمع و ا بين الأختين إلا ما قد سلف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 وأُحِلَّ ل َ ك ُ م مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَدْخُلُ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ ف َ ن ت ُ ه ُ ن َّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ف ك ح و ه ن بإذن أهلهم واتوهم أجرهم و بالمعروف بالمعروف مخصلات غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا م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 ได้รับสําหรับผู้ที่ในมูลพวกเจ้ากลัวการทําชั่วและการที่พวกเจ้าปดกลั่นไว้ได้นั้นเป็นการดีกว่าสําหรับพวกเจ้าและอลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออยู่ดีจุลลอาริยูบียนละกุมวยะฮ์บียุคุมสุนนละลลัดีนั้นอิ่งกับริกุมวยะตุบะะลัยมุม وال ลาหูอัลเลมุนฟะคีม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 كم, เอาล่ะทรงประสงค์ที่จะพรผันให้แก่พวกเจ้าแต่มนุษย์นั้นถูกบังคับเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอยาเอเยห์เหล่าทีَน <s> ั้นอَมนและเถอะค ا ณَ مو َคُ م ْ ب ِ ا คْ ب َ ا ط ِาِ ت ت อ้อผู้ารัทธาาูสทั้งหลายจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยชอีอง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 และถ้าผู้ใดกระทำเช่นนั้นโดยละเมิดและอาธรรมแล้วเราก็จะให้เขาเข้านารกและนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายิจจ่าส ม, ามรักอัลมมลอฮฺหากพวกเจ้าปลีตัวออกห่างจากบรรดาบาปใหญ่ๆ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 <تصفيق> ولكل جعلنا م و ا ل ي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم َ أ ث و ه م نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا سمرح ا ل ى ك ن เราได้มีผู้รับมรดกจากสิ่งที่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและยากที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไวและบรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าได้ตกลงไว้นั้นก็จงให้แก่พวกเขาซึ่งส่วนได้ของพวกเขาแพรจริงอลัลลอฮ์ทรงเป็นพยานทอทุกสิ่ง الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات ق ا ل ت ا ٌ حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافن و نشوزهم บรรดาชายนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง เนื่องด้วยการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้บางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนและด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายทรัพย์ของพวกเขาไปบรรดาคุนสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดีผู้รักษาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสามีไม่อยู่เนื่องด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักษาไว้และบรรดาหญิงที่พวกเจ้าวันเกรงต่อความลื่นลิงของพวกนาง น, นั้นก็จงกล่าวตักเตือนานาง และพ่อทิ้งนางไว้แต่ลับภังในที่นอนและจงเคี้ยนนานแต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่นานแค้จริงอัลล่ะเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้สงเพียงไก่ว่านสิค้าคดยนิฮีมาฮะบอธุหักมัมมินอัฮลิฮีวะหักมัมมินอัฮลิฮา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 หากทั้งสองปรารถนาให้มีการประนีประนอมกันแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความสำเร็จในระหว่างทั้งสองถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเชี่ยวชาววอบบุุดลลชชริิกูญ وبالوالدين إ ح س ا ن ا و ب ذ د ا ل ق ر ب ى و ا ل ي ت ا م والمساكين والجار بالقرب ى والجار ا ل ج ن ب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبنال سبيل وما ملكت إيمانكم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 และเพื a, ่อนเคียงข้างและผู้เดินทางและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองแทาจริงเราไม่สมชอบผู้ยะโสผู้โอ้วอัลลอีนัยบขลูนะยัมรูนันันบิลบุขลีะยัตุมูนมาอนัาันันลนันมนนตันลนวะอนััดนาลิลัาฟิรีนอนดาบันันนน บรรดาผู้ที่ตรณีและใช้ผู้คนให้ตรณีและปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์เราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่อัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายวัลลัีละยุนฟูนอัมวะลุมริอานนาสวะลลิยุมนูนบิลลาฮวะลลิบิลยวมิลอาคิร วันนยะคุณชัยตอนละหัว قار ินาฟัสาควรนาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อโอ้อวดผู้คนและพวกเขาก็ไม่ศรัทธาต่อละและไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลและผู้ใดที่มีชัยตันเป็นเพื่อนเขา มันก็เป็นเพื่อนที่แสเนเลนอะไรที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาหากพวกเขาสัขาต่อรอและวันขรรค์และได้บริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา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 และจะทรงประธานรางวัลอันใหญ่หลวงให้จากที่พรมแล้วอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมา แล้วเราได้นำเจ้ามาเป็นพยานต่อชนเหล่านี้ในวันนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสรัทธาและดื้อดึงต่อรสลหากว่าแผนดินถูกให้ทับถมพวกเขาจนราบเรียก و َ أ َ ي ُ و ه د ا الَّذِينَ آ م َ ن و ا لَا ت َ ت ر َ ض ُ و ا ا ل ص َّ ل َ ا ة و َ أ َ ن ْ ت ُ م س ُ ك َ ر ا حَتَّى ت َ ع ل م و ا مَا ت َ ق و ل و ن ح ت َ ى ت َ ع ل م ُ و ا مَا ت َ ق و ل و ن َ و َ ل ا جُلُوبًا إ ل ّ ا ع َ ا ب ِ ر س َ ب ي ل ٍ ح ت َ ى ت َ غ ت َ س ِ ل و ن و إ ن ك م م ل ض ا ل أو على سخر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من سائ فأنتجد ما ت ت ت โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้การละหมดาดขณะที่พวกเจ้ากำลังมึนเมาอยู่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 والله أعلم بأعداءكم وكفّى بالله ولي يوم وكفّى بالله نصيرات เทอรอส่งรู้ดียิ่งต่อบรรดาศัตรูของพวกเจ้าและพอเพียงแล้วทเทอรอทรงเป็นผู้คุ้มครองและเพียงพอแล้วทเทอรอส่งเป็นผู้ช่วย من الذين هادوا يحرفون الكلم أ م ّ و ا ض ع ه م ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسلم ي و َ ر ع ن ا ليًا بألسنتهم وطعنًا في الدين จากบางคนในหมู่ผู้เป็นยิวนั้นพวกเขาบิดเบือนไ้อยคำให้เหาะออกจากที่ของมัน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 และเที่ยงตรงกว่าแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสาบแช่งพวกเขาเสียแล้วนึ่งโดยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่สถากันนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยาอิฮัลล์จีนอูตุลคิตาบอามินูบิมาเนซัลน้ามุซัดดิคัลลิมามะกุมมินกับล อุบาดาห์ผู้ที่รับคำพีทั้งหลายตรงสรัทธาต่อสิ่งที่เราได้ลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าเถอด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 แน่นอนเขาก็ได้อุปะโลกบาปกรรมอันใหญ่หวงขึ้นอะลัมต์ร์อ هم, ิลัลลดีลยุซักนอุสหฮุมบัลลลฮุซักิมัยยะช า, าะอูวะลาุลามูนลามุฮัมมัดมิได้มองดูบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ดอกหรือมีได้อัลลอฮ์ตังหาคือ ที่จะทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุท์และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้เพียงขนาดร่องเ ม, มล็ดอินทรพลจงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่พวกเขาอุปโลกความเท็ิดให้แก่วรา และพอเพียงแล้วที่ความเทียบนั้นเป็นบาปอันชัดแจَง ว่จะกามุาห้ผู้นัที่ไปเ้มองพระาีเป็นดิ์สทธพร์ที่เน้างรนา่ักสทงี่นจานมี่ักทธองีจ้าของพามี่นัดิิทธิรที่พวกเขราส่นัทธองอคทจาพี่ัดิ์ติแลอระอัต์ที่เเาของพระกา่าวแักดิระ่เปนเาพรดาผู้เปฏศิเสทธิ์รท่าว่า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 แม้เพียงจุดบนมเมล็ดอินทพลัอั ا آ آ إ م م นงทีนาาาออบรมมัักะ่พวกเขาอิจฉาคนอื่นในสิ่งที่ลอรงประทานแก่พวกเขา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 และในหมู่พวกเขามีผู้ที่ขัดขวางเขาและเพียงพอแล้วที่นรกย่างนำมีเปลวเพลิงอันโทษชว่วอินนัลลดี่เล็กฟารูบอายาตินา سوف نصليهم า ا ر น سوف نصليهم لا رن كلما نضجت جلودهم بدلاهم جلودا غيرها ليذوق العذاب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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا.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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعم ما يعظكم به อิัลลอฮรฺทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนของฝากแก่เจ้าของของมันและเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผู้คนพวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมแท้จริงอลัลลอฮฺทรงแนะนำพวกเจ้าด้วยสิ่งที่ดีๆแท้จริงอลัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น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 أَلَمْ <تحدث> تَرَ إلَى الَّذِينَ ي َ ز ُْ م ُ و ن َ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أ ُ ن ز ِ ل َ إلَيْكَ وَمَا أ ُ ن ز ِ ل َ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ ي ر ي د و ن َ أ َ ي ي َ ت َ ح َ ك َ م ُ و ا إلَى ا ل ط َّ ا غ ُ و ت ِ و َ ق َ د ُ م ُ و ا أ َ ي يَكْفُرُوا بِهِ ลลจะไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาผ่อนเจ้าต่อไปโดยที่เขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การแก่อัปต์กูดทั้งๆ ท, ที่พวกเขาถูกใช้ให้ปฏิเสธมันและชาตอนนั้นต้องการที่จะให้พวกเขา หลงทางอันไปว่าอเดตอจะูรคือสุเดแล้วเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงมายังสิ่งที่อรอดได้ประทานลงมาและยังรอดสูญเถเจ้าก็จะได้เห็นพวกกับกรอกเหล่านั้นผิหลังให้แก่เจ้าจริงๆ إ أ هم, إ إ และจะเป็นอย่างไรเล่าเมื่อมีเหตุร้ายใ ด, ดๆประสบแก่พวกเขา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 وَمَا أ َْ س َ ل ْ ن َ ا مِنْ ا ر َّ س ُ و ل ٍ إلَّا لِيُقَاعَبِ إبْنِ اللَّهِ وَلَوَأَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ ج َ ا ء ُ و ك َ ف َ س ََّ غ ْ ف َ ر ُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُ اللَّهَ ت َ و َ ا ب َ ا ر َّ ح ِ ي م َ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 ؤمنون ح, ح, ح ت ไม่ใช่เค่นนั้นดอกหรืขอสาบานต่อพระผู้ยบานของเจ้าว่ะเขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขา จเจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งระหว่างพวกเขาแล้วพวกเขาก็าจะไม่พบความขับอกขับใจใดๆในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไปและพวกเขาก็ายอมจำนนไม่ดีวา่าแล้วอันกระเจ็บน่า عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم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 และแน่นอนเราก็จะที่นำให้แก่พวกเขาซึ่งทางอันทิ้งตรง ม ع แَ้ ي ن ี่เราอัลล ل ฮฺ م َงป ل ะท ي นให้พวกเขาจากบรรดาผّ้เผยพระว و นะและผู้พิทักษ์และผู้พิทักษ์และผู้พิท ل กษ์แลَผู้พิทักษ ل แล و ผู้พิทัِษ์และผู้พิทักษ์และผู้พิท ل กษ์และผู้พَ ชนเหล่านี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขาอันได้แก่บรรดานบับีบรรดาผู้ที่เชื่อโดยยุติสตีบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามปกป้องศาสนาและบรรดาผู้ที่ประพฤติ ด, ดีและชนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดียิ่งความกรุณาดังกล่าวนั้นมาจากอัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้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 إ أ ق ق ال แท้จริงในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้ที่ทำชักช้าอยู่หากมีเหตุร้ายใดประสบแก่พวกเจ้าเขาก็กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮทรงกรุณาแก่ฉันที่ฉันไม่ได้อยู่ร่วมกับพวกเขา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 ระหว่างพวกเจ้ากับเขาว่าโอหวังว่าฉันได้ร่วมอยู่กับพวกเขาและฉันจะได้รับชัยชนะอันใหญ่หล الل วงจงสู้รบในลมทางของล l อ a h เถอ บรรดาผู้ที่อุธชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ด้วยปรโลกและผู้ใดสู้รบในหนทางขอร้อง Allah, และถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะเราใช้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขาวามา มีหตุใดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นรที่พวกเจ้าไม่สู้รบในหนทางของร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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت ا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بدأ في السطحانن. พวกเขาจะต่อสู้ในลมทางของลอและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นพวกเขาจะต่อสู้ในลนทางของอัล ต, ตอฮูดดังนั้นพวกเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาสมุนของชัยตอนเอถิดแท้จริงอุบายของชัยตอนนั้นอ่อนแอยิง่งอัลัอฮรัออิลลัลลัลลิลลลฮลลัุมกุฟูอิบิยกุมวะอัตมุลสลัลัตวอตุซกา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 ทันใดนั้นกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็กลัวมนุษย์เช่นเดียวกับที่กลัวเราหรือกลัวยิ่งกว่าและพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้กพระผู้บันชาของเราเพราะเหตุใดพระองค์จึงได้กาหนดการสู้รบเกิดขึ้นแก่พวกเราพระองค์จะสงเลื่อนให้แก่พวกเรายังกาหนดเวลาอันใกล้นี้ได้หรอจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งโลกนี้นั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่พระโลกนั้นดียิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ยังเกรงและพวกเจ้าจะไม่ถูกอาธรรมแม้เท่าขนาดร่องมเมล็ด ก, กินทะพละบับุลับุมมสนนยููลิิิอ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 ที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจในคาพูดแม้จะสาบคือมีพั ن นต์ที่ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفّ بالله شهيدا ความดีใดๆที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากอ AH. ัลลอฮ์และความชั่วใดๆที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากตัวเองเจ้าเองและเราได้ส่งเจ้าไปเป็นศาสนทูตสาหรับมนุษย์และเพียงพอแล้วที่อ AH ัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยัน วَม َنْ تَوَنْ لَا ธ َمَا أَرْسَلْنَاكَ ع َ ل َ ي ه م ح ف ي ظ ا ت ٍพูดาเชื่อฟังรอดซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอันล่ะแล้วและผู้ใดถึงหลังให้เราก็หาได้ส่งเจ้าไปเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาไม่ ويقولون قاعة فإذا برزوا من عندك بيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وخيرا.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 พวกเขามิได้พิจารณาดูคำพีอัลกุรานบ้างหรือและหากว่าอัลกุรานมาจากผู้ที่ไม่ใช่อัลลอฮแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะพบ ว, ว่าในนั้นมีความขัดแยง้งกันมากมายว่าอิดะจ์อะฮ์มอะมรุมมินะลัมม์อะวิลขัฟฟิอะดะอูบิห و ว่าลูรดจูห์อีละกษุล وإلأ للأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه و منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمةه لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً แล้วเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาถึงพวกเขาจะเป็นความปลอดภัยหรือความตัวก็แล้วแต่ พวกเขาก็จะแพร่มันออกไปและหากว่าพวกเขาให้มันกลับไปยังศูนยและยังผู้ปกครองในหมู่พวกเขาแล้วแน่นอนบรรดาผู้ที่วิติฉัยมันในหมู่พวกเขาก็ย่อมทราบมันได้และหากไม่ใช่ความโปรดปรานความเมตตาของโลกที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะคงปฏิบัติตามชายตอนไปแล้วนอกจากเพียงจังหวนน้อยเท่านั้น فقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أئِيكم فبأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنكلا ข้อมู้รับในนทางขอัลอเถอะโดยที่เจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใด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 และเมื่อพวกเจ้าได้รับคำทักทายจะด้วยคำทักทายใดไๆก็ตามก็จงกล่าวคำทักทายตอบที่ดีกว่านั้นหรือไม่ก็กล่าวคำทักทายนั้นต่อกลับไป แท้จริง a l ล a h เป็นผู้ทรงคำนวณอ l l ล h لا إله إ อ ا هو لا يجمعنكم إلى يوم ا ل า ي ا م ة لا ريد فيه و ล ن أ ص นัลลนนยย้นทรงเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักสการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น แน่นอนพรมจะส่งรวบรวมพวกเจ้าสูงบันคิยามาซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆใงเนวันนั้นและใครเล่าที่จะมีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าหัวฮามละคุมในมูนาภิกีนฝิอเทียนวัลล้าวออกา س ห้อบิมาคาสรูอัตรีดูนอ่าน تحد ูมันอ ض ลลัลล้า มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้าได้กลายเป็นสองพวกในเรื่องของพวกกลับกรอกเหล่านั้นแล้วลอได้ทรงให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมแล้วนึ่งด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้พวกเจ้าต้องการจะแนะนำผู้ที่อัลลอ์ได้ทรงให้หลงผิดไปแล้วกระนั้นหรือ และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้หลงคิดไปแล้วเจ้าก็จะไม่ทุกาันออกใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาวดวะดูล้วจะกฟนรูนักมักขรูฟะตขึนูนัสราแล้ะลา้ักมิดูมิานรุมเอาลิยจะขึักตายูาขิรูฟีสบาลิลล้าา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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو ي ق ا ت ل و ا قومهم ولو شاء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 และได้เจราจาประนีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอลลอฮก็ไม่ทรงให้ทางออกใดๆแก่พวกเจ้าที่จะขัดจักพวกเขาได้ ف ้าَิลลัมย์ยักษ์เซลุค ي มวยุลควูอิเลยุคุสัَ خ ัมวยกุฟุเอดิย ت มฟัคดูหุม ف ัคดูหุมวักُุ م ُุหุมพายุทักกุตุมุหุมว่าแَ้วคุณจะเหล่าล่ะคุณอวยหิ ا สุ ا ตานัมบินาพวกเจ้าจะพกพวกอื่นอีกโดยพวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้า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 و َ ذ ِ ي َ ة مُسلَّمَةٌ إ ل َ ى أَهْلِهِ إ ِ ل َ ا أَن ي َ ص د ق ُ و ا ف َ إ ِ كَانَ م ِ ن ق َ و ْ م ع َ د ُ و ل ك ُ م وَهُوَ م ُ ؤ م ِ ن ف َ ت َ ح ْ ر ر ر ق ب َ ة م ؤ م ِ ن َ ة و َ إ ِ ن ك َ ا ن َ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ م ِ ث َ ا ق ٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ ر َ ق َ ب َ ة ٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ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 ถ้าหากเขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้าโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาก็มีการปล่อยท่าญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นทดและถ้าเขาอยู่ในหมู่ชนที่มีพันธะสัญญาระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาแล้วก็มีการทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขาและมีการปล่อยท่าญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งถ้าผใดที่ไม่พบก็มีการถือสัญลสองเดือนติดต่อกัน เป็นกา ร, ระะอภัยโทษจากอัลลอฮ์และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาตว่าในฤทธุลมุเอมินัมตเอมิดาฟเจซาอูจห์นัมฟเจซาอูจห์นัมข้าลิดาทีฮะว่ากับอัลลอฮ์อาลัยฮَวะลาเَห์วะอัดเดลห์อาดับะน์อาฎิมาน และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนแก่เขาก็คือนรกยานนัโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้วล้อก็ส่งพิลีกร่ต่อเขาและส่งสาปแช่งเขาและได้ทรงตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้สำหรับเขายาไอ้ฮัลดีนอามะนูไดะดรบตุมฟีซบีลิลลาฮิฟัตบยนู فتبيئوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لست مؤمنا َ ب ت ق و و ن عرض الحياة الدنيا فعند الله م غ ا ن ُ كثيرة كذلك كنتم من ق ْ ل فمن الله عليكم ف ت ب ي ن و ا إن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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. แท้ uh จริงบรรดาผู้ที่มาลายกาได้เอาชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาเป็นผูน้อธรรมกระตนเองนั้นมาลายกาได้กล่าวว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่ พวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินมาเาลย์กล่าวว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่ได้กว้างขวางดอกหลึที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยานลังโดยเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ อิลลม س ت َ ط َ ع ف ي ن م ن ا ل ر ّ ج ا ل و َ ا ل ن س ا ء و َ ا ل و ل د ا ن ل ا ي س ت ط ي ع و ن ح ي ل َ ة ل ا ي س ت ط ي ع و ن ح ي ل َ ت ه و َ ل ا ي ه ت د و ن س َ ب ي ل ا นอกจากบรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นชายหญิงและเด็กก็ตาม ที่ไม่สามารถมีอุบายใดๆไ ด, ได้และไม่ได้รับการนำทางอีกด้วยาลออกชนเหล่านี้แหละอัลลอ์อาจจะทรงยกโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย وَمَن ي ه ا ج ر فِي س َ ب ي ل اللَّهِ ي ج د ف ي ا ل أ ر ْ ض ِ م ُ ر َ ا َ م ً ا ك َِ ي ر ا و َ س ع ه وَمَن ي َ خ ْ ر ج م ن د ي ت ِ ه ِ م ه ا ج ر ً ا إلَى اللَّهِ و َ ر س ُ و ل ه ُِ م ّ ي ُ د ر ِ ك ه ا ل م َ و ت ث ُ م ّ ي ُ د ر ك ه ا ل م َ و ْ ت ُ فَقَد و َ ق ع أ ج ر ُ ه ُ ع ل ى ا ل ل ه ผู้ใดที่อพยพไปในวันทางของหลอกเขาก็จะพบในผืนแผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมายและความมั่งคั่งด้วยและผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปอย่างหลอและรอศูนย์ของผู้และความตายก็มาประสบแก่เขาแน่นอน ผลตอบแทนของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้วน้อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาสมอ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتتم أي يفتكم الذين كفروا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 و َلَا جُنَاحَ َุอินْ ك นบุคِ ن อาด ا มَ์ม์แม่ตร์อันหรือคุณَุ่มมาดด้ ضع و าสนิพัฒน์َุณว่ و ขุนหิตร ح ุณอินน์อัลลอฮฺอัลเลาะหَอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลَ ا าะ ل ์อัลเลาะห์อัลเลาะอเลาลาะอเลาหอเเาอละหเลเาะลาะลเะาะห์อัลาะลเาะาเา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 فإذا قضيت الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم ف أ ق م و ا ل ص ل ا ة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب م ا ท่านเมื่อพวกเจ้ขขาเสร็จจากการละมาดแล้ว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 และวพวกเจ้าจงอยาทอแท้ในการแสวงหากลุ่มชนนั้นถ้าหากพวกเจ้าเจ็บที่จริงแล้วพวกเขาก็เจบ็บเช่นเดียวกับพวกเจ้า แต่พวกเจ้าหวังจากฮัลลอสิ่งที่พวกเขาไม่หวังและลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญอิน آ أ นาอันซึลลาอิเลย์ค์ล์ิดาบิลฮัก์ลิะฮุมบยนอันนสบิมาอะราลลอฮ์วะลาุลลินซีมา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 ولا ان أن الله َلَا تُجَادِلْ عَلِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ مَنْ يُحِبْبُ ان. และเจ้าจงอย่าโต้เถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดพลิ้วต่อตัวของพวกเขาเองแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่บิดพลิ้วผู้ทีท่ทำบาป <c oughs>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 กับพวกเขาด้วยขณะที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากันคืนซึ่งคําพูดที่โครงไม่ส่งเพราะพระไทยและอันนั้นส่งล้อนสิ่งที่พวกเขากระทําไมสมุนาอันตุมหาอุล่าอิดลกุมอันหุมฟิลหยาติดดุมยา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 ให้คุค้มครองรักษ า, า, ามมตร์วเมน يعملون أن أو يظلم ن ف น ه ثم ي س ت غ ف ผู้ใดที่กระทำความชั่วหรืออาธรรมแก่ตนเองแล้วเขาขออภัยต่ออัลล์เขาก็จะพบว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยผู้สรงเมตตาเสมอ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 แล้วลอนนั้นเป็นผู้ทรงรับรู้ผู้ทรงปริชายาและวผู้ใดแสวงหาความผิดหรือบาปกรรมเอาไว้แล้วก็โยนบาปกรรมนั้นให้แก่ผู้ที่บริสุทธิ์แน่นอน เขาได้แบบความเพี้และบาปกรรมอันชัดเจนไว้แล้ว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 และพวกเขาก็จะไม่ทำอันตรายใดๆแก่เจ้าแต่อย่างใดแ ล, ล้วเราได้ทรงประทานคำภีลงมาให้แก่เจ้าและความก็ใจในบทบัญญัติแห่งคำภีนั้นด้วยและได้ทรงสอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนและปราบปว่าความกรุณาของอัลลอฮ์ที่มีแก่เจ้านั้นใหญ่หลวม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 หรือให้ทำในสิ่งที่ดีงามหรือให้ประนีประนอมระหว่างผู้คนเท่านั้นและผู้ใดที่กระทำดังกล่าวเพื่อสแสวงหาความปลดดภานจากอัลลอฮ์แล้วเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เข า, า ม, ารรมบามาาบบ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 ض ل ض ل ถ้าจิมมาร์ตจะไม่ส่งอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกนำมาเป็นภาธีแก่พระองค์แต่จะส่งอภัยโทษให้สิ่งอื่นจากสิ่งนั้น สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแกวลองแล้วแน่นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่างไรกันพวกเขาจะไม่มวงวอนขออื่นจากพระองค์นอกจากเจวหญิง และพวกเขาจะไม่วิงวอนขอนอกจากแสตตอนที่ดื้อรั้นเท่านั้นล ะ, ล ะ, ล ะ, ละนนอ า, าลัุลลอว่าลัลละ ت خ ذ ن من عبادك ن ص ي ب ا مفروضاً อัลลอะได้ทรงส า, างบแช่งมนแล้วและมันได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งฉันจะเอาจากพวกบาวของพระองค์ให้ได้ ولأ ظلّنّهم ُ ولأ ََ منّيّنّهم ُ ولأ ََ م ر ن ّ ه ُ م ف َ ل َ يبتدّك ذ َ ا َ ا ل أ ع َ ا ِ ولأ أمرنّهم ُ ف َ ل َ يغيّر َُ خلق َ الله.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 และแน่นอนยิ่งฉันจะใช้พวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรา ส, สร้างและผู้ใดที่ยึดเอาซาตอนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วแน่นอนเขาก็จะขาดผุนอย่างชัดเจงยยอดุมมวันนิมวมมายออดันจะสัญญาแก่พวกเขาและจะทําให้พวกเขาเพ้อฝัน และชัยตอนจะไม่เอาสัญญานอกจากการหลอกลวงท่านั้ะะ น, น, นเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคืนอนรกยานนะและพวกเขาจะไม่พบทางรอดใดๆให้พ้นจากมันไปได้ผล้ ال ที่นับถะอและทำสิ่งที่ดีะด้เข้าไปใน และบรรดาผู้ที่สัทธาและกระทำความรีทั้งหลายนั้นเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่เบื้องล่างนั้นโดยที่พวกเขาจ้าขํงนักอยู่ในนั้นตลอดกาลเป็นสัญญาของร้อนอย่างแท้จริงและใครเล่าที่มีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าร้อเลี้ยสบอมมนีคุมวะลาอมามนีอัหล์ิลกิตาบไม่ยามลุ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 จะมีาศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้จ่าหลอกโดยที่เขาเป็นผู้กระทำความดีและปฏิบัติตามแนวทางของอิบราฮมเพื่อไฝ่หาความจริงและล้อได้ถือเอาอิบราฮมเป็นสักการะและสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้น الله. الله ننسون. الله. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ا ل ل ه ُ يُفْتِيكُمْ ف ِ ي ه ِ وَمَا ي ُ ت ل َ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ْ فِي الْكِتَابِ فِي ي َ ت َ م َ ن َّ س َ ا ئ ِ ل َ ة ا ل َّ ت ي لَا ت ُ ؤ ْ ت ُ و ن َ ه ُ ن مَا ك ُ ت ب َ لَهُنَّ و َ ت َ غ ْ ر َ ض و ن َ أ ن ت َ ن ف ِ ح ُ ه ُ ن و َ ا ل ْ م ُ س ت ض َ ع ي ن ٍ مِنَ ا ل و ل د َ ا ن ِ وَأَن ت َ ق و م ُ ل ل ي ت َ ا م َ ى ب ِ ا ل ِْ س ْ وَمَا ت َ ف ع ل و ا مِن خ َ ي ْ ر فَإِنَّ ا ل ل َّ ه كَانَ ب ِ ه ع َ ل ي م ا และพวกเขาจะขอให้พวกเจ้าชี้ขาดในเรื่องของศัตรีจงกล่าวเถิดว่าอเลสจะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเจ้าในเรื่องของนานเหล่านั้นและสิ่งที่ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟังซึ่งสิ่งที่อยู่ในคำีร์นั้นในเรื่องของหญิงกำพร้าที่พวกเจ้าไม่ได้ให้แก่พวกนานซึ่งสิ่งที่ถูกกำหนดแก่พวกนางและพวกเจ้าปรารถนาที่จะแต่งงานกับนางและในเรื่องของเด็กๆผู้อ่อนแอ และในการที่พวกเจ้าจะดูมองไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่บรรดาเด็กกัม <onces> ouais ้าและความดีใดๆที <into foreign language> ่พวกเจ้ากระทำไปนั Son ้นแท้จริงอา l a h ทรงรู้ถึงความดีนั้น。 ح ح และศ خير وأحضرت ا ل َ ن ف س الشح وإن تحسن وتتقوف إن الله وإن تحسن وتتقوف إن الله كان بما تعملون خبيرا. หล่าผหญิงได้เกรงว่าจะมีการเย็นชาหรือมีการถินหลังให้จากสามีของนางแล้ว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 แล้วเมื่อว่าพวกเจ้าจะมีความปรารถนาอะแรงกล้าก็ตามแต่นั้นพวกเจ้าจงย่าเอียงไปจงหมดและพวกเจ้าก็จะปล่อยบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้งนั้นประหนึ่งถูกแขวนไว้และหากพวกเจ้าประนีประนอมกันและมีความยำเกรงต่ออแล้วแท้จริงอรนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวาอียัลเจฟัลลุกายุฮนิลลาห์คุลลัม และหากนั้นสองนั้นจะแยกกันอัลล่ะก็จะส่งให้ความเพียงพอแก่เขาต้องจากความร่าหวยของโปรดและอัลล่ะนั้นเป็นผู้ส่งควา้างขวางผู้ส่งปริชายาวัลิลล้าฮิมาทิสมาวาทิวะมาทิลอร َلَقَدْ الَّذِي الْكِتَابَ قَبْلِكُمْ اللَّهِ لِلَّاهِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُ أَنِتَّقُ وَصَّيْنَ نَعُوتُ وَإِيَّاكُمْ تَكْفُرُوا وَمَا وَكَانَ مِنْ مَا غَلِيًا فَإِنَّ และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ และแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับคำภีก่อนจากพวกเจ้าและพวกเจ้าได้ว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและหากว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าลอ้นั้นเป็นผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงได้รับการสรรเสริววบ ล, ลล สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมครองกักษาอียาชะยุะเห็บกุมไอ้ยุห์นัสและจะไปอาครีนว وكان الله า ل ى ذلك قدير หากพระองค์ทรงประสงค์แล้วลวก็จะทรงให้พวกเจ้าทั้งหมดไปโอ้มนุษย์เตย และจะทรงนำพวกอื่นมาแทนและกลากฏว่าอัลลอฮ์ทรงเบชานุภาพเหนือสิ่งนั้นมันัันนนคาววววดออรรรีบบุุหลล ا آ رة, ลผู้ใดที่ต้องการสิ่งตอบแทนในโลกนี้ที่อัลลอฮ์นั้นมีสิ่งตอบแทนในโลกนี้และพระโลก أتصفيقاً. أتصفيقاً. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين َ ب ا ل ق س ِْ شهداء ُ لله شهداء ََ لله ِ ولو ََ على أنفسكم ُْ أو َ الوالدين والأقربين. َ إيه كل غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا َ تتبعوا الهوى أن تعذلو وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. <تصفيق> เป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจงเป็นพยานเพื่ อ, อล้อและแม้ว่าจะเป็นภัยแก่ตัวเจ้าเองหรือผู้บรงเกิดก้าวทั้งสองและญาติที่ใกล้คิดก็ตามหากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจนเอาล้อก็สมควรยิ่งกว่าทั้งสองกรณีดังนั้นจงอยากปฏิบัติตามความไข้ไฟตามในการที่พวกเจ้าจะยุติธรรมและหากพวกเจ้าเล่นลิ้นหรือผลหลังให้ แ้จงลอส่งรอบรู้อย่างถี่ส้วนในสิ่งที่พวกเจ้าแพร่ยา أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل วเมนี ت ่ ت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر ال فقد ظل ظلالا بعيدا <ت ص في ق> โอ้ผู้ศทธาทั้งหลายจงสรทาต่อล่องและรอสูนของพระองค์และคำพีที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่รอสูนของพระองค์และคำพีที่พระองค์ได้ประทานลงมาก่อนนั้น และถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อหลงและมาลิกาของพระองค์และบรรดาคำพีของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์และวันประโลกและไซแน่นอนเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลนนามมู <S <S ุ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 เชื่อว่าเราจะทรงอภัยโทษพวกเขาก็หนาแน่และเชื่อว่าพระองค์จะทรงให้ทางนําทางไหให้แก่พวกเขาก็หนาหีนาจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่กลับกรอกเถิดว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบ บรรณาผู้ที่ยึดเอาผู้ที่ปฏิเสธศรัทาเป็นมิตกอื่นจากผู้สรัาท่านหลายนั้นพวกเขาจะแสวงหาอำนาจที่พวกเขากระนั้นเรือ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 S <S <an> <S แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าในคำถี่ว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาโอมการขอล้อเหล่านั้นถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเยอะหย่างแต่นั้นพวกเจ้าจงอย่านั่งร่วมกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกั น, นเรื่องอื่น ถ้าจริงพวกเจ้านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับพวกเขาแถ้าจริงเราจะทรงรวบรวมบรรดาผู้ที่กลับกรอกและบรรดาผู้ติดกติเสธสะภาไว้ในนรกอย่างงดทั้งหมดผล้ที่จะรับด้วยคุณแต่ในนั้นคุณตะถึงมีอัลลอฮ์กล่าวว่าคุณรู้ไมว่าคุณ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 และเราจะไม่ทรงให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นนันรับอินนัลมุน اث ี ق ิน يخادعون الله وهو خادعهم و إ อ ا قاموا إلى الصلاة ق ا า و ا รา ل ا น ر ا ؤ ن الناس ولا يذكرون الله ล ل ا ق ลีลา ถ้าจิงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นกําลังหลอกลวงอลัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาและเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดพวกเขาก็ลุกไปในสภาพที่เกียรติคร้านโดยให้ทุกคนเห็นเท่านั้นและพวกเขาจะไม่กล่าวล้ำลึกถึงอลัลลอฮ์นอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น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 เจ้ากว่าจะไม่พบทางรอดใดๆสำหรับเขาเป็ น, นอันขาดยเอยลีนานจะ้คาเฟรนเอาลานรดนอันจะลุลิลบสุดทานุอสถานทั้งหลาย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 และเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขาเป็นอันขาดอิลลัลดีนตบูวะ صلاحواعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ف أ ลา ئ ك مال ا ลม ؤ م ن ي ن وسوف يأت الله المؤمنين أجرا ع ظ ي ม ا นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนเ้กือบตัว และปรับปรุงแก้ไขและยึดมั่นต่อโลและได้ความบริสุทธิ์ใจต่อโลในการนับถือศาสนาของพวกเขาโดยสิ้นเชิงจนพวกนี้แหละจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้สัปธาแล้วเราจะทรงประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่สัปธาทงหลย้ยมายะฟ้ารลองบิอาดาบคุมอินชัสบุมวามันทุมว่ากนอัลลอฮชากิรันนัลีมา อัลลอฮ์จะทำการลงโทษแก่พวกเจ้าทำไมหากพวกเจ้ากตัญญูและศรัทธาและปรากฏว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบใจผู้ทรงรับรู้ข้ออัลลอฮ์ไม่ทรงชอบการใช้เสียงดังในคำพูดที่ไม่ดีนอกจากพูดที่ถูกฟมเห็น และปรากฏว่าอาลัลลอ์นั้นเป็นผู้สรงได้ยินผู้สรงรอบหูยิง่งอากพวกเจ้าเปิดเผยความดีหรือปกปิดมันไว้หรือให้อภัยในความเลวร้ายใดๆแล้วถ้าจริงอลัลลอ์นั้นเป็นผู้สรงอภัยโทษผู้สรงเดชานุภาพสมอ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาขอร้อง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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَصْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهَرَهُ ف َ أ َ ق َ ذ َ ت ْ ه ُ م ُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَخَذُ ّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ف َ أ ف َ و ْ ن َ عَنْ ذَلِكَ و َ آ َ ت َ ي ْ ن َ ا مُوسَى سُفَطَانًا مُبِينًا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 หลังจากที่หลักฐานอันชัดเจนได้มาอย่างพวกเขาและเราก็ได้ให้อภัยในเรื่องนั้นแล้วเราได้ประทานอำนาจอันชัดแจ้งให้แก่พวกเขาและเราได้ยกภูเขาตูด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 และปฏิเสธบรรดาองค์การของลอตและข้าบรรดานาบับีโดยปราศจากความเป็นธรรมและการที่พวกเขากล่าวว่าหัวใจของเรามีเปลือกหุ้มอยู่หาไม่ได้อเลอได้ทรงระทับตราบนหัวใจของพวกเขาตังหาเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธานอกจากเพียงจำนวนน้อยเท่านั้น َبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทาและกล่าวให้ร้ายแก่มรรยาตซึ่งความเท็จอันใหญ่หลวงและกล่าِว่าอ ن َน้าฆَ่เลนัลมิซี حي ้ ي ซَนาَมั่นย์มรَสูลอัَลอฮ์ว่ามาฆ่า ه ูกวَ่มาศัลโบรว่าแَ้วก็ชุบเบฮาลุ วَ إ ِ ن َม ا ลَّ ذ ِ ي ن َ اخْتَلَفُوا فِيهِنَ นผู้ทรงรู م ِّกْิ่งทุกอย่างพِะِงค์ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทว่าพทเขา้รกลิ่งกาวรว่าพท้จร้ิงพวกเราไดอ้่าองคุสิุอารของมทรงรพระองค์รูลขงิอยงพะอรูวาะอง์ทรงเป็น้กเข่หาไดอ้่าอีคา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 َكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا หาไม่ได้พเพราะได้ส่งยกเขาคืออีสาขึ้นไปยังพระองค์ต่งหาและปรากฏว่าลอนั้นเป็นผู้ส่งเบชานุภาพผู้ส่งปรีชายาว و าอิมมินอเหลล์อิลกิตาบอิลลาเลียมินอันบิฮ ي ับล์ ل มติฮิวายุมอลกิยามติย์คูนอัลเลหิมชีฮ ไม่มีชาวความภพีร์คนใดนอกจากเขาจะต้องสภาแน่นอนต่อท่านนบีอีสาห์ก่อนที่เขาจะตายแล้ววันกิยามา น, นั้นอีสาห์จะเป็นพยานยืนยนันแก่พวกเขาเหล่านั้ น, น, ลลน ร, ร แล้วก็เนื่องด้วยความอาธรรมจากบรรดาผู้ที่เป็นอยู่เราจรึงได้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งบรรดาสิ่งดีๆที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขามาแล้วและเนื่องด้วยการที่พวกเขาขัดขว า, าขงทางถอดล็อกอย่างมากมายด้วยว่าเอกรีมุรีบะ وَقَدْ نُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أ َ م ْ و َ ا ل َ ا ل ن َّ ا س ِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا เรื่องโดยการที่พวกเขาเอาดอกเบี้ยทั้งๆที่พวกเขาถูกห้ามในเรื่องนั้นและเรื่องด้วยการที่พวกเขากินทรัพย์ของผู้คนโดยวิชชอบธรรมและเราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้แล้วสําหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลา ย, ล ย, า, هم, ล ون, ยาอมบ แต่ถ้าว่าบรรดาผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในหมู่พวกเขาแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาย่อมศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมากแก่เจ้า และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและบรรดาผู้ปฏิบัติละหมาดและบรรดาผู้ที่ํำระจะกาศและบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์และวันพระโลกช่วงเหล่านี้แหละเราจะให้รางวัลอันใหญหลวงแก่ผู้เขาอินน้าอูฮีนาอิลลยก์เคมาอูฮยนาอิลาลูฮีวันบิน์ินบบอตี وأ ح وإسحاق نا ويونسى إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب แถ้จริงเราได้มีองค์การแก <ت> ่เ <ص> จ <في ق> ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่โวกและบรรดานบีหลังจากเขา و َ ر س ُ ل ا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ ن َ ق ْ ص ص ْ ه ُ م ْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَسْلِيمًا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 คือบรรดาศาสนาูตในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายเพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตัวแก้หลอะหลังจากบรรดาศาสนาูตเหล่านั้นถ้าปรากฏว่าลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาลลินยอ อลลบแต่ถวละลอ้นั้นทรงยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่เจ้าว่าพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งนั้นลงมาด้วยความรู้ของพระองค์และมาไหลาก่ก็ยืนยันด้วยและเพียงพอแล้วที่อลัลลอฮทรงเป็นพยานอีกยัน إ, الله ا, ا ท, ทّ้ริงบรรดาผَูทَُ่ฏิ و สธَรัทธาแَะขัดขวาِท ل งَ ل รนนั้นَน่นอได้ด ا ض َ ل َ ا ل ً ا ب َ ع ي د ا แท้จรงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางขอรนนั้นแน่นอนพวกเขาได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลอินั้ลลَติมักَารูวะซดดَูัน ي ل ا ل ل ل و ا ل ل ا ْ لم لم ي أ ا َ ك ُท้จ ل ิ ل َรรดาผู้ที่ปฏَเสธศรัทธาและขัดขวางทางขอรนนพา แ้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและอาธรรมแก่ตนเองนั้นใช่ว่าอัลลอฮจะสรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเขาก็หาใหม่แล้วก็ใช่ว่าพระองค์จะสรงแนะนำแก่พวกเขาซึ่งทางหนีใดๆก็หาใหม่อิออ้ออรอก้กออ้ออ้าอ้ออ้ออ้ออ้ออ้าอ้ออ้ออ้ออ้ออออออ้าอ้ออ้ออออ้อก้าอ้ โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตอกาและนั่นเป็นสิ่งง่ายดายแก่อัลอฮเหลือเกินยะยุห์นัสขดจาคุม ا ل ر س ก ل بالحق للربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفر إ ن لله ما ف ا ل س م و ا ت والأرض وكان الله ع ل م حكما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 จงอย่าทาให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้าและจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอ์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นแท้จริงอัลมาซีย์อีชาบุตรของมารยาบนั้นเป็นเพียงศาสนาทูตของอัลลอ์และเป็นเพียงดนัดของพระองค์ที่ได้กล่าวแก่มารยาบและเป็นเพียงวิญญาณหนึง่งจากพระองค์เท่านั้นดังนั้น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 สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ทั้งสิ้นและเพียงพอแล้วที่อัลลอฮเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองมลลลลออบดาร อันมาเสียนั้นจะไม่ญิงยาโเป็นอังขาดที่จะเป็นบาวของเราและมาเลย์อาผู้กลายชิดพรุกก็ไม่ญิงยะโศกด้วยและผู้ใดญิงยะโศต่อการที่จะเคารพสการะต่อพรุกและยโศแล้ว فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف ي و ف ي ه م أجورهم و ي ز ي د ه م من ت ض ل ه وأما الذين ا س ت ن ك و ا واستكبروا فيعذبهم عذاب ا أ ل ي م ا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 แน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผู้บานของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วและเราได้ประทานแสงสวา่างอันแจ่มแจ้งลงมาให้แก่พวกเจ้าด้วยลวมรทนห ส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อลลและยึดมั่นต่อพระองค์นั้นพระองค์จะส่งให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเป็นดูเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์และทรงแนะนำพวกเข า, าเส้นทางที่ยงตรงไปสู่พระองค์ يستفسونك قل الله يخفيكم في الكلاله إن م ُ ؤ ن ه َ لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرتها إن لم يكن لها ولد فإن كان ت ثنتين فله مثل ث ا ن م ما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الأوتين يبين الله لكم أن ت ض ل و ا والله بكل شيء عليم. เขาเหล่านั้นจะคอยเจ้าที่ขาดปัญหาจงกล่าวถือว่า